สมาธิเพื่อปัญญาดังบาลีที่เคยอ้างแล้วว่าสมาธิเพื่ออัฏฐะคือยถาภูตยานัทสนะที่หมายถึงสมาธิเพื่อจุดหมายคือการรู้เห็นตามเป็นจริงบ้างสมาธิมียถาภูตยานัทสนะเป็นอัฏฐะเป็นอนิสงค์คือความมุ่งหมายและผลสนองที่พึงประส์ของสมาธิ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 ที่ศีลบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากปัญญาที่สมาธิบ่มรอบแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสงฆ์มากจิตที่ปัญญาบ่มรอบแล้วย่อมหลุดพ้นโดยชอบเที่ยวจากอาสวะทั้งหลายคือกามาสวะภาวะสวะอวิชชาสวะ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 แม้แก่ท่านที่ได้บรรลุจุดหมายของสมาธิเสร็จสิ้นไปแล้วโดยสรุปพอจะประมวลประโยชน์ของสมาธิได้ดังนี้ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายหรืออุดมคติทางธรรมประโยชน์ที่เป็นความมุ่งหมายแท้จริงของสมาธิตามหลักพระพุทธศาสนาคือเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่ง แห่งการปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดอันได้แก่ความหลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ทั้งปวงประการที่หนึ่งประโยชน์ที่ตรงแท้ของข้อนี้คือการเตรียมจิตให้พร้อมที่จะใช้ปัญญาพิจารณาให้รู้แจ้งสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเรียกตามศพท์ว่าเป็นบาทแห่งวิปัสสนาหรือทาให้เกิดยถาภูตยานัทสนะ ดังเด็กล่าวแล้วซึ่งจะนำไปสู่วิชาและวิมุตติในที่สุดประการที่สองประโยชน์ที่รองลงมาในแนวเดียวกันนี้แม้จะไม่ถือว่าเป็นจุดหมายที่แท้จริงคือการบรรลุภาวะที่จิตหลุดพ้นจากกิเลสชั่วคราวที่เรียกว่าเจโตวิมุตติประเภทยังไม่เด็ดขาดกล่าวคือ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 ข้อนี้เป็นเรื่องของผลสำเร็จอย่างสูงในทางจิตหรือเรียกสั้นๆว่าประโยชน์ในด้านอภิญยาได้แก่การใช้สมาธิระดับชานสมาบัติเป็นฐานทำให้เกิดฤทธิ์และอภิญยาขั้นโลกีอย่างอื่นๆคือหูทิพตตาทิพตทายใจคนอื่นได้ระลึกชาติได้จำพวกที่ปัจจุบันเรียกว่า ESP คำเต็มว่า extrasensory perception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 คนมีนิวรมีลักษณะตรงข้ามเช่นอ่อนไหวติดใจหลงไหลง่ายหรือหยากระด้างฉุนเฉียวเกลียวกราดหุดหงิดวู้วามวุ่นวายจุนจ้านสอดแสลุกล้ลุกลนหรือหงอยเงาเศร้าซึมหรือขี้หวาดขี้โรแวงลังเลสมาธิเตรียมจิตให้อยู่ในสภาพพร้อม และง่ายแก่การปลูกฝังคุณธรรมต่างๆและเสริมสร้างนิสัยที่ดีรู้จักทาใจให้สงบและสะกดยั้งผ่อนเบาความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจได้เรียกอย่างสมัยใหม่ว่ามีความมั่นคงทางอารมณ์และมีภูมิกุ้มกันโรคทางจิตประโยชน์ข้อนี้จะเพิ่มภูนยิ่งขึ้นในเมื่อใช้จิตที่มีสมาธินั้นเป็นฐานปฏิบัติ ต, ตามหลักสติปัฏฐาน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 ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเช่น 1. ใช้ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายหายเครียดเกิดความสงบหายกระวนกระวายยังหยุดจากความปัดกลุ้มวิตกกังวลเป็นเครื่องพักผ่อนกายให้ใจสบายและมีความสุขเช่นบางท่านทำอาณาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกในเวลาที่จำเป็นต้องรอคอย และไม่มีอะไรที่จะทำเหมือนดังเวลานั่งติดในรถประจำทางหรือปฏิบัติสลับแทรกในเวลาทำงานใช้สมองหนักเป็นต้นประโยชน์ข้อนี้อย่างสมบูรณ์แบบได้แก่ชาสมาบัติที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายใช้เป็นที่พักผ่อนกายใจเป็นอยู่อย่างสุขสบายในโอกาสว่างจากการบําเพ็ญกิจซึ่งมีคำเรียกเฉพาะว่า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 ไม่ผิดพลาดและป้องกันอุบัติเหตุได้ดีเพราะเมื่อมีสมาธิก็ย่อมมีสติ ก, กำกับอยู่ด้วยดังที่ท่านเรียกว่าจิตเป็นกรร ม, มนิยะหรือกรร ม, มนีแปลว่าควรแก่งานหรือเหมาะแก่การใช้งานยิ่งได้ประโยชน์ในข้อที่หนึ่งมาช่วยเสริมก็ยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไปอีก 3. ช่วยเสริมสุขภาพกายและใช้แก้ไขโรคได้ร่างกายกับจิตใจอาศัยกันและมีอิทธิพลต่อกันอุทุชนทั่วไปเมื่อกายไม่สบายจิตก็พลอยอ่อนแอเศร้าหมองขุ่นมัวรั้นเสียใจไม่มีกำลังใจก็ยิ่งซ้ำให้โรคทางกายนั้นสุดหนักลงไปอีก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 อันกลับมาส่งอิทธิพลบรรเทาหรือผ่อนเบาโรคทางกายได้อีกด้วยอาจทำให้โรคหายง่ายและไวขึ้นหรือแม้แต่ใช้กำลังสมาธิระ ง, งับทุกขเวทนาทางกายไว้ก็ได้ในด้านดีผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานยอมช่วยให้กายเอิบอิ่มผิวพรรณผ่องใสสุขภาพกายดีเป็นภูมิต้านทานโรคไปในตัว ความสัมพันธ์นี้มีผลต่ออัตราส่วนของความต้องการและการเผาผลาญใช้พลังงานของร่างกายด้วยเช่นจิตใจที่สบายผ่องใ ส, สสดชื่นเบิกบานนั้นต้องการอาหารน้อยลงในการที่จะทำให้ร่างกายสมบูรณ์ผ่องใสเช่นคนธรรมดามีเรื่องดีใจปลาเปลือมอิ่มใจไม่หิวข้าวหรือพระที่บรรลุธรรมแล้วมีปีติเป็นภักษา ฉันอาหารวันละมื้อเดียวแต่ผิวพันธ์ผ่องใสเพราะไม่หวนละห้อยความหลังไม่เพ้อหวังอนาคตดังปรากฏในสังยุตตนิยสขาทวักไม่เฉพาะจิตใจดีช่วยเสริมให้สุขภาพกายดีเท่านั้นโรคกายหลายอย่างเป็นเรื่องของกายจิตสัมพันธ์เกิดจากความแปรปรวนทางจิตใจเช่นความมากโกรธบ้าง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 สภาพกายจิตสัมพันธ์นี้อาจแบ่งได้เป็นสามระดับตามขั้นของพัฒนาการทางจิตขั้นตามสุดทุกกายซ้ำทุกใจคือผลต่อกายกระทบจิตด้วยพอไม่สบายกายใจพลอยไม่สบายไปด้วยซ้ำเติมตัวเองให้หนักขึ้นขั้นกลางทุกกายอยู่แค่กาย คือจำกัดขอบเขตของผลกระทบได้ความทุกข์ความไม่สบายมีอยู่แค่ไหนก็รับรู้ตามที่เป็นแค่นั้นวางใจได้ไม่ให้ทุกข์ทับถมลุกลามขั้นสูงใจสบายช่วยกายคลายทุกข์คือเมื่อร่างกายทุกข์ไม่สบายนอกจากไม่เก็บไปก่อทุกข์แก่ใจแล้ว ยังสามารถใช้สมรรถภาพที่เข้มแข็งและคุณภาพที่ดีงามของจิตส่งคนดีกลับมาช่วยกายได้อีกด้วย